วันนีนะ้เป็นวันที่เราเดินระยะทางสั้นที่สุดนะวันแรกที่เราเดิน13กิโลแต่วันนี้เราเดินนะไม่ถึง12แต่นะแต่ช่วงเ ช, ช้าช่วงเวลาที่เราเดินไกลที่สุดแต่จจะว่าไกลที่สุดของธรรมยาตราปีนี้เลยนเฉพาะช่วงชา 8กิโลเสร็เกิดไปเท่ากับช่วงบ่ายของวันแรกแล้วก็มากกว่าบ่ายของเมื่อวานด้แต่สำหรับพวกเราที่ก็หรือว่าคนที่เดินมาตั้งแต่วันแรกไกลกว่านี้มากกว่านี้ก็ไม่ยันแล้วนะไม่กลัวที่จริงถ้าเทียบ ก, กับสมยัญตรา ของคณะอื่นๆหรือที่จัดที่อื่นเนี่ยธรรยานตาลัมปฐาลก็ถือว่าแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเดินไม่ไกลไม่มากเท่าไหร่นะเมื่อไหร่มีปอยก็มีการเดินธรรมยาตราจากกรุงเทพลงไปปัตตานีเรียกว่าเดินสันติปัตตา น, นีพันพักิโลนะ แล้วก็วันหนึ่งก็เดิน30สกว่ากิโลต่อวันวต้องออกเดินัแต่ตี5้าเลยนะคือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนวันหนึ่งเดิ น, น8ถึงสิชัว่วโมงอีกหลายที่นะอีกหลายที่เหมเดินธรรมยาตราจากดอยหลวงลงมาปากน้ำ ก็วันหนึ่ง8ป0สิบชั่วโมงสามสิบกิโลของเรานี่สูงสุดนะปีนี้อย่างมากก็ยี่สิบสองกิโลฉะนั้นถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วนี่ก็ถือว่าของเรานี่เดินแบบสบายๆเชา้าขึ้นเราก็ยังไม่ต้องเก็บสัมภาระแล้วก็ มีเวลามาสวมดมนต์นั่งภาวนาฟังธรรมพอเริ่มสว่างแล้วเราก็ค่อยเก็บสัมภาระ แ, แต่แม่กระนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะรู้สึกว่าการเดินธรรมยันตราเป็นประสบการณ์ที่แต่ไม่ได้ความทุกข์มากใครที่รู้สึก นะกับการเดินธรรมยาตราอยญใหญ้นึกถึงนะคาถาของหลวงพ่อพุทธทาสนะถ้าจำพุืท่านท่านเคยเติอนคนที่รู้สึกทุกขกับชีวิตบอกว่าให้บอกกับตัวเองหรือว่าต่อสายตัวเองเลยก็ได้ว่า กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์วยนะกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์วยให้เกิดสติว่าจะไปจมอยูในความทุกข์เอา้าถานี้มาใช้กับธรรมญากตราไได้นะครับกูไม่ได้มาเดินเพื่อเป็นทุกข์วยกูไม่ได้มาเดินเพื่อเป็นทุกข์แตมาเดินเพื่อมาฝึกฝนตนเพื่อให้เรียนรู้ เดินเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองหรือว่าจะมาเดินเพื่อรู้ทุกข์ก็ได้มันต่าง ก, กันนะมาเดินเพื่อเป็นทุกข์กับมาเดินเพื่อรู้ทุกข์เนี่ยมันต่าง ก, กันเป็นทุกข์นี่แปลว่าจิตใจมันจมอยู่ความทุกข์เลยแต่ว่ามาเดินเพื่อรู้ทุกข์เนี่ยมันจะเกิดปัญญากายทุกข์ก็จริงนะแต่ว่า ใจไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยสมเด็จพระตุโธาสัจจานองค์ปัจจุบันตั้งเคยกล่าวว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกนะแต่เรา ม, มีหน้าที่รู้ทุกข์รู้ทุกข์นี่มันก็สำหรับคนที่เรียนเรื่องอริยสัจสีเนี่ยเขจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่พึงทำต่อความทุกข์นะ ความทุกข์นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องกาจัดนะแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ให้ทั่วถึงเมื่อมีทุกข์เราก็แทนที่จะจมอยู่ในความทุกข์เราก็มารู้ทุกข์ซะมาเตือนใจด้วยนะเราไม่ได้มาเดินนะเพื่อเป็นทุกข์เรามาเดินเพื่อรู้ทุกข์หรือถ้ายัง รู้สึว่ามันยังยากอยู่ก็ให้เตือนตัวเองว่าเราไม่ได้มาเดินเพื่อทุกฟรีๆนะไม่ได้มาเดินเพื่อเป็นทุกฟรีๆน่าจะเป็นทุกนะแต่ว่ามันก็ได้อนะไรหลายอย่าง ก, กลับไปที่ได้ก็ตือได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองได้ฝึกใจให้เข้มแข็ง ถ้าเราเดินใจตัวเองแบบนี้ใ้าการเดินทรรมยานตรามันจะไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อมาเดินแล้วก็อย่าให้ทุกข์ฟรีๆแต่ว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างรวมทัง้งได้ฝึกตนเองหลายเรื่องสิ่งที่สำคัญ ก็คือการดูแลรักษาใจของเราให้ดีถ้ากายทุกแล้วในหะ้ใจทุกด้วยทุ ก, ก็ทุกอย่างเดียวคือทุกกายแตใจไมีทุกถ้าเพลงธรรมยากตรามีเพลงหนึ่งนะเอาพวกเร า, าเคยตั้งใจฟังหรือเปล่านะทอนแรกจะมีประโยค์ว่ายิ้มน้อยนอยนะ รู้สึกตัว บ, บ่อยๆยิ้มน้อยๆรู้สึกตัว บ, บ่อยๆนี่ช่วยได้ยอะนะเวลาเดินเนะนี่ยอย่าปล่อยให้หน้าตาบบึ้ง น, นะเวลาเจออากาศ ร, ร้อนเดินทางไกลถ้าไม่รู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวมันก็จะหน้าบึ้งนะลองยิ้มน้อยๆดู การยิ้มน้อยๆเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ใจเนี่ยดีขึ้นใหม่ๆก็อาจจะฉียิ้มแล้วก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจยิ้มนะแต่เราฉีดยิ้มเอาไว้ใบหน้าที่มีรอยยิ้มเนี่ยมันก็ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายนะกายกับใจสัมพันธ์กันเวลาเราใจใรเราผ่อนคลายเราก็มีรอยยิ้มบนใบหน้า ในทางกลับกันนะเวลาเรามีรอยยิ้มบนใบหน้ามันก็ทำให้ใจผ่อนคลายแล้วก็ดีกว่านะั้นคือทำความสึกตัวรู้สึกตัวให้เวลาเราหงุดหงิดเราเครียดเราขุ่นมัวโกรธเนี่ยตอนนั้นเราลืมตัวไปแล้ว ใจมันจมเข้าไปในความทุกข์หรือในอารมณ์เหล่านะั้นลองกลับมารู้สึกตัวใจมัก็จะกลับเป็นปกติรู้สึกตัวเมื่อเกิดขึ้นเมื่อใจอยู่กับนักตัวหรือว่าเมื่อมีสตินะรู้ทันอารมณ์ใจมันก็จะเบา อย่างในบทแทนงเดียวกันนี่ก็จะมีคําว่าหัวใจโปร่งเบานะรู้เท่าทันอารมณ์แปลว่าจิตใจเราเนี่ยจะเบานะเมื่อเรารู้ทันอารมณ์เพราะเมื่อรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็มันก็จะวางอารมณ์เหล่านั้นนะขุนมัวเศร้าโกรธมันจะวางเมื่อเรารู้ตัวมีสติรู้เท่าทันเห็นมันนะ นี่เป็นการรักษาใจของเราในเมื่อเราจะต้องเดินเราไม่สามารถจะพักได้เพราะว่าจุดพักยังไม่ถึงเราก็รู้สึกตัวบ่อยๆใจก็อยู่กับปัจจุบันนะแม้ว่าตัวเราเดินไปข้างหน้าจุดหมายปลายทางก็อยู่ข้างหน้า แต่ให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปล ว, ว่าจมอยู่ในความทุกข์นะถ้าจมอยู่ในความทุกข์นั่นไ ม, ไม่ใช่ปัจจุบัน เ, เพราะว่าตอนนั้นมันไม่รู้เนือรู้ตัวไม่รู้ว่าตัวขยับเท้าขยื่นเมื่อเรารู้สึกตัวเนี่ยเวลาเดินก็รู้ว่าเดินเท้าขยับก็รู้ว่าเท้าขยับ ่ถ้าเราจมอยู่ในความทุกข์หรือว่าใจลอยมันจะไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ไม่รับรู้ขณะที่กำลังเดินด้วยซ้ำถ้าเราจมอยู่ในความทุกข์นะสิ่งหนึ่งที่จะขาดหายไปคือ <c oughs> การที่จะซึมซั์การซึมซับนะรับเอาความสุขที่มีอยู่รอบตัว ตลอดที่เราเดินเนี่ยนะทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็รายรอบตัวเราอยู่แต่ถ้าเราจมถ้าจิตใจเราจมในความทุกขนะ์นั้นมันจะไม่มีโอกาสได้รับความสุขเหล่านั้นมาเดินทั้งทีเนี่ยอุตส่าห์เหนยกายแล้วเนี่ยให้เปิดใจรับความสุขบ้าง อย่าปล่อยให้ใจมั น, นในความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบขณะที่เราเจอแดดร้อนอากาศอ้าวกายก็เหนื่อยเท้าก็ปวดแต่มันก็ยังมีสิ่งดีๆให้เราประสบรับรู้สูดซึมซับได้ ล, ลองสังเกตดู เวลาเราเดินเสังเกตท้องฟ้าว่ามันสวยไหมท้องฟ้าสีครามบางทีก็มีเมฆคุยเมฆเบาๆอย่ามองเห็นแต่ทางที่มันแดงหรือครุ่มครมับเปิดใจมองให้เห็นท้องฟ้าที่สวยงามภูเขาที่มีต้นไม้ สีเขียวบางจุดบางหยอมนี่มันก็เขียวกันจีเขียวสดบางทีข้างทางเราก็มีดอกไม้มีสัตว์ที่น่ารักหนะมาแมวบางครั้งก็มีลมเย็นๆมากระทบกายรับรู้มาถึงความสดชื่นนะที่มันมาพร้อมกับสายลม มันจะมีความสุขที่ผ่านเข้ามาสู่การรับรู้ของเราอยู่ตลอดทางเลยแต่ถ้าใจเราเจะจมอยู่ในความทุกข์บน่นวยวายทางไกลเหลือเกินเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยให้ความสุขเรานั่ น, นมันก็ไม่สามารถจะซึมซับรับเข้าไป หรือพรั่งครูสูดใจเราได้อย่าปล่อยกกให้ความทุกข์มาปิดใจเราจกนกระทั่งไม่สามารถจะเปิดรับความสุขประทับใจเรื่องหนึ่งนะที่อาจารย์ประมวลเคยเล่าช่วงที่อาจารย์ไปอินเดียมีช่วงหนึ่งท่านอยู่ที่สารานาะศสารนาศก็เป็นที่ที่พูดเจ้าสแสดงปฐมเทศนานเดิมันก็เป็นป่าแล้วนะชื่อป่าอิสิปตนะเบอร์กเทยวัน สารหนนี่ก็เป็นสังเวชชนิสถานจุดหนึ่งนะที่ชาวพุทธนิยมไปจาริกจากสารณนาอาจารย์ประมวลก็จะเดินต่อไปที่พาราณสีระยะทางมา10กิโลท่านก็ตั้งใจว่าจะเดินเท้าไปก็มีสารรองชายินเดียคนหนึ่ง ม, มาตามตามตือ้ออาจารย์ประมวลเนี่ยใช้บริการของเขาอาจารย์ก็ ไม่อยากนั่งรถอยากจะเดินมากกว่าแต่ว่าแขกก็ตางตื่นนั่นแหละแล้วท่านก็ตนขึ้นมาได้ว่าเคยอธิษฐานว่าหรือตั้งจิตว่าจะน้อมรับทุกอย่างนะที่เป็นอินเดียใครขอก็จะให้เมื่อเข้ามาขอให้เราใช้บริการเขาก็ก็ยินดีนะแล้วก็ขึ้นรถ สำรอดสำรอดฉี่ไปนะแลอดที่สำลอดเขาที่พาอาจารย์ไปพารานศีเขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์จะเป็นผู้โดยสารคนแรกของเขานะในวันนี้เนี่ยเป็นผู้โดยสารคนแรกของเขาถ้าไม่มีอาจารย์มาขึ้นรถเนี่ยวันนี้เขาไม่รู้ว่าจะเอา อะไรมาให้ครอบครัวที่บ้านไม่รู้ว่จะมีอาหารนะให้กับคนที่บ้านหรือเปล่าเพราะที่บ้านก็ยักจนฝังแล้วก็ดูน่าสงสารนะเขาเนียก่ยยากจนแล้วก็น่าสารมากคือในเที่ยกนะที่จัจกรยา น, นยแดกก็ร้อนเขาก็ต้องขยโยตั้งตัวนะโถมตั้งตัวลงไปโดยเฉพาะในบางช่วงซึ่งมันเป็นทาง าทางสูงเป็นเนินเหงือกอ็เต็มหลังย่งเห็นน่าสงสารแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะมีลมพัดเข้ามาสามรอบค น, นนั้นนี่จะ ย, ยินดีนะเปิดใจรว่ามีความสุขมากเลยนะอาแขนรับลมเย็นแล้วก็พูดขึ้นมาว่า AC ซพักเขา แอร์ซีลือแอร์คอนดิชันละควันคือประจาวามีความสุขมากเลยนะที่มีลมเย็นมากระทบตัวเขาการที่เขาจะรับรู้ถึงความสุขที่ลมนี่พัดมาได้ใจเขาต้องเปิดนะเพราะถ้าใจตรนั้นเนี่ยเขาจมอยู่ในความทุกข์เหนื่อยเลอกเกินเหนื่อยเลกเกินบนทำไมใจเหนื่อยเลอกเกินหรือว่าวันนี้ ทำไมบูช่วยอย่างนี้คลอดไรแบบนี้ไม่มีลูกค้าเลยถ้ใจมันบนพึมพังพังนี่นะมันไม่สามารถจะเปิดรับความสุขที่ลมพัดมาให้เขาได้แต่ขนาดเขาจนขนาดเขาลำบากแต่ว่าใจเขาเนี่ยพร้อมรับความสุขได้ทุกโอกาสแล้วก็มีคนหนึ่งมญาตาหลายคนนะเวลาลมเย็นพัดมานี่ไม่รับรู้นะถึงความสุข เพราะใจเขากำลังบนกำลังจมอยู่ในความทุกข์กำลังอยู่จมอยู่ในความบุนยิตทางกายเลอเกินทางกายเลอเกินเมื่อไรจถึงจุดพังดาาร้อเลอเกินไอคิดแบบนี้นะใจมันปิดเลยนะบางทีทิวทัศน์งามๆทัศนียภาพสวยๆข้างหน้าก็มองไม่เห็นเสียงนกร้องที่ไพเราะก็ไม่ได้ยินลมเย็นๆพัดมา ถูกตัวก็ไม่รับรู้ถึงความสดชื่นความสุขเนี่ยมันหลั่งหลายพังครูมหาเราอยู่ตลอดนะในชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันอยู่ที่ทำงานก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าใจเราว่านะมันก็จะเปิดรับความสุขได้ง่ายมากเลย มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาต้องผ่าตัดไส้เลื่อนเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ข ย, ยันทํางานมากมีงานทำตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นงานเป็นเรื่องใช้ความคิดแกเป็นคนที่ใช้ความคิดมากคิดเรื่องงานตลอดเวลาแล้วทางานไม่หยุดแต่ว่าพอผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยก็ต้องพักพักพื้นที่โรเบียวันสองวัน แล้วก็มาพักพื้ที่บ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งเป็นช่วงเป็นครั้งแรกเลยมื่อในหลายปีที่ไม่ได้ทำงานก็ทำไม่ได้บ่ายวันหนึ่งก็มานั่งอยู่ตรงระเบียงนั่งพักผ่อนจู่ๆก็ได้เสียงนกร้องทีแรกก็ตัวหนึ่งก่อนนะเป็นนกเขาหลังจากนั้นก็มีตัวอื่นร้องประสานเสียง แก็นกหลายชนิดด้เขาฟังแล้วมู้สึกไพเระมากเกิดปิดติเกิดความยินดีจนน้ําตารื้นเลยซาบซึ้งมากเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขมากชอบครับเขก็โฉดคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยซึ่งอยู่ชานกรุงนะชานเมืองกรุงเทพเอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่ลูกนี่ยังเด็กๆยังเป็น อดูบ้านอยู่เลยตอนนี้ข้อหมายทะเลน่ะทํา ไ, นะไมก็เพิ่งได้ยินเสียงนี้เสียงร้องของนกมันเพิ่งร้องหรือเปล่านะมันไม่ได้เพิ่งร้องมันร้องมาทุกวันนะ่ะแต่ทําไมก็เพิ่งได้ยินเขาก็พบ ว, ว่าเป็นเพราะใจเขาไม่ว่างอยู่บ้านเนี่ยแต่ว่าใจมันคิดโน่นคิดนี่วุ่นนะอยู่กับความคิดอยู่กับโปรเจกต์อยู่กับ project, แผนการต่างๆมากมายนกร้องแต่ว่าใจไม่เปิดรับเพราใจไม่ว่างแต่ถ้าจิตใจว่างเนี่ยมันก็เปิดรับความสุขแล้วก็พราะว่า้ความสุขที่จริงมันก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยบ้านเท่านี้แต่มันก็มีความสุขที่สามารถจับร่างภูหลังไหลามาสุดใจเขาได้ถ้าคนเราไปคิดว่าความสุขมันอยู่ไกลจะต้องได้กินหารอร่อยในร้าน ดังหรือว่าเด้ไปช็อปไปเที่ยวห้างจะมีความสุขได้กินกาแฟาชื่อดังหรือว่าความสุขนี่ถ้าเป็นเดินธรรมยาตรานเนี่ก็ต้องจุดพักหรือว่าปลายทางหรือบางทีคิดไปถึงว่าความสุขอยู่ที่บ้านได้กลับบ้านเมื่อไหร่นี่จะจะเสพสุขให้เต็มที่เลย แต่จริงสองข้างทางนะที่เราเดินเนี่ยมันก็มีความสุขที่จิตใจเราสามารถจะรับรู้ได้ถ้าใจเราเปิดแต่ใจเราไม่เปิดเนี่ยใจเราจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆอยู่กับเสียงบน่นะเสียงวอยวยจะเป็นเสียงบน ดินฟ้าอากาศหรือผู้คนหรือเส้นทางก็แล้งแต่ลองนะไหนๆมาเดินทั้งทีตัวก็เหนื่อยแล้วให้ใจได้มีโอกาสซึมซับรับความสุขหรือสิ่งดีๆที่มันมีอยู่รอบข้างที่จริงการที่เราเริ่มรู้จักที่จะขอบคุณอย่างที่พูดไปเมือ่อวันศืลนะรู้จักขอบคุณทุกอย่าง ใจที่ขอบคุณสิ่งต่างๆที่เราได้เจอเจอในชีวิตประจำวันในระหว่างที่เดินธรรมยัตราหน่วยจะเป็นร่มเงาของต้นไม้ตอกไม้ริมทางหมาที่ต้อนรับเราระหว่างทางหรือว่าลมเย็นๆและกระทั้งเมฆที่ลอยบนฟ้าที่คอยอให้ร่มเงากับเรา แม่ขอบคุณแสงอาทิตย์รวมถาไม่ลืมจะขอบคุณผู้คนที่มาร่วมเดินกับเราแม่ครัวจิตอาสาสัมภาระรวทั้งเพื่อนที่ให้กำลังใจเราอยู่โดยไม่รู้ตัวจิตใจที่ขอบคุณสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ทำให้จิตใจเรานุ่มนวลไม่ทำให้ความทุกข์มันเบาบางลงใจเราจะเริ่มเปิดพอใจเราเริ่มเปิดแล้วเนี่ย มันก็เหมือนกับน้ำเหมือนกับแก้วน้ำที่ว่างก็สามารถจะเติมน้ำเข้าไปในแก้วได้แต่ถ้าแก้วน้ำเนี่ยมันเต็มเพราะมันมีน้ำขุนอยู่ข้างในน้ำใ ส, สๆเทลงไปมันก็ล้นออกหมดอย่าให้ใจเรามันเต็มด้วยอารมณ์ขุนมัวเหมือนกับแก้วที่มีน้ำขุนๆอยู่ข้างในเต็มถ้าเทมันออกมา การทําความฝึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ตา่างๆที่ชอบบน่นววายพอสิ่งเหล่านี้มันหายไปใจเราว่างสิ่งดีๆมันก็จะพลั่งพรูอาสูญใจของเราได้ไม่ยากเหมือนน้ําน้ําใสที่สามารถจะเติมใส่แก้วได้เพราะ่าน้ำมันว่างเพรแก้วน้ำมันว่าง ใลองฝึกดูนะเปิดใจรับความสุขในเช้าวันนี้หรือว่ารวมไปถึงตอนบ่ายด้วยมันมีความสุขที่ซุกซ่อนรอนะการรับรู้ของเราอยู่ตลอดทาง <c oughs> อย่าเอาแต่มองแต่สิ่งที่เป็นลบหรือนึกสิ่งที่มันเป็นลบอย่างเดียวแล้วก็พูดกันเท่านี้นะกลับมาพร้อมกัน